แววเสียงสวรรค์เล่นสามโดยพรรัตนสุวรรณเสียงอ่านโดยโจโฉคำปารพในการพิมพ์ครั้งที่สอาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ศึกษาคนา้นคว้า พระไตรปิฎกและอัฏฐกถาและยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติสมาธิวิปัสนามาตั้งแต่สมัยยังอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อมาได้ลาสิกขาออกมาเป็นอุบาสกก็ยังคงศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและอัฏฐกถาปฏิบัติสมาธิวิปัสนาอยู่ตลอดเป็นอาจารย์สอนในคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถฐมถวายความรู้ธรรมประยุกต์ความรู้เรื่องสมาธิวิปัสนาแก่พระนิสิตมหาจุฬา และอบรมสมาธิวิปัสสนาแก่ประชาชนผู้สนใจแก่นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ธรรมวิจัยวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์เป็นเวลาหลายปีทั้งบรรยายธรรมอบรมสมาธิวิปัสสนาแก่คณะชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนักเรียนในร้อยตำรวจ โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพลานและอื่นๆอีกมากมายทั้งเปิดอบรมสมาธิวิปัสนาแก่สมาชิกผู้สนใจที่บ้านพักจนกระทั่งจากโลกมนุษย์เข้าสู่ภูมิทิพย์อาจารย์พรรัตนสุวรรณมิได้อบรมสมาธิวิปัสนาแต่เพียงอย่างเดียวยังได้เรียบเรียงหนังสือธรรมะทางพระพุทธศาสนาทั้งทางปรัชญาทั้งทางการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาและอื่นๆอีกหลายเล่ม หนังสือแววเสียงสวรรค์เล่มสามนี้เป็นบทความที่อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ค้นคว้าศึกษาชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะคือชีวิตของสัตว์ที่เกิดผลขึ้นมาโตเต็มตัวในทันใดตายก็ไม่มีเชื้อหรือซากปรากฏและเขียนลงพิมพ์ในหนังสือวิญญาณเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2513ถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2514 รายละเอียดต่างๆนอกจากนี้อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ชี้แจงไว้แล้วในคำนำํานําเมื่อคราวจัดพิมพ์ครั้งแรกหนังสือแววเสียงสวรรค์เล่มสานี้ได้จัดพิมพ์ครั้งแร ก, แ เ, เ, มมรแรกเมื่อพุทธศักราช 2,517 จัดพิมพ์ครั้งหลังสุดเมื่อพุทธ ศ, ศักราช 2,529 ได้ขาดคราวไปสํานักค้นคว้าทางวิญญาณจึงจัดพิมพ์ขึ้นใหม่นับเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่4ี่ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับศึกษาเรื่องหลังจากละโลกนี้ไปแล้วและศึกษาชีวิตที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโอปปาติกะหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าผีสางเทวดาเพื่อประดับความรู้หรือถ้าไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวก็ควรศึกษาไว้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นสานักค้นคว้าทางวิญญาณมีนาคม พุทธศักราช 2,539 47ทับ2ถนนสัมเสีนสบางลำพูกรุงเทพมหานคร10200โทรศัพท์02 282 2025คำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง แววเสียงสวรรค์เล่มสมได้รวบรวมมาจากเรื่องที่เคยลงในหนังสือวิญญาณตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2513จนถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2514การที่ตัดตอนเพียงแค่นี้ไม่รวบรวมพิมพ์ถึงเดือนธันวาคม2514ก็เพราะเนื้อเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคม2513จนถึงเดือนกันยายน2514เป็นเรื่องเกี่ยวกับบันทึกที่ผู้อื่นเขียนส่งมาให้เช่น เรื่องเด็กหญิงจารุวันสินจารุซึ่งรอดตายเพราะสังงคานก็เป็นเรื่องที่พ่อของเขาบันทึกส่งมาให้และข้าพเจ้าก็อธิบายปัญหาในเรื่องนี้โดยได้เรียนถามจากเทพเจ้าว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้อย่างไรนอกจากเรื่องที่มีผู้บันทึกส่งมาให้ซึ่งมีอยู่หลายเรื่องแล้วอีกประเภทหนึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลามาจากหนังสือต่างประเทศซึ่งส่วนมากก็ได้มาจากหนังสือเฟซและหนังสือข่าววิญ ญ, ญาณไซคีนิวส์ ซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้เช่นเรื่องรักมีกรรมซึ่งเป็นเรื่องกล่าวถึงนายทหารอังกฤษผู้หนึ่งซึ่งได้ละทิ้งหน้าที่ในยามสงครามเพราะความรักและถูกประหารชีวิตนายทหารผู้นี้มีผู้พบเห็นหลายคนว่าได้มาปรากฏตัวให้เห็นในที่ซึ่งเขาเคยอยู่กับหญิงคนที่เขารักและยังมีเรื่องแปลกอีกหลายอย่างเป็นต้นว่า รอยกระสุนที่ถูกยิงรอยเลือดและเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ก่อนที่จะตายสิ่งเหล่านี้ก็ยังปรากฏให้เห็นเหมือนเดิมเรื่องเช่นเนี้ยตามคําบอกเล่าของคนไทยก็มีอยู่ไม่น้อยแต่ไม่มีใครบันทึกไว้เป็นหลักฐานข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องที่ฝรั่งเขาบันทึกเอาไว้เป็นที่เชื่อถือได้จึงได้นํามาลงในแววเสียงสวรรค์และอธิบายให้เห็นว่าเรื่องเหล่าเนี้เป็นไปได้อย่างไร แววเสียงสว่า์เล่มสมนี้มีเรื่องในทํานองนี้หลายเรื่องขอให้ท่านผู้ฟังเปิดดูหัวข้อแต่ละหัวข้อแล้วก็จะทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะเหตุที่เรื่องที่รวบรวมไว้ในเล่มสามนี้เป็นเรื่องทํานองดังที่กล่าวมาแล้วทั้งสิน้นจึงได้รวบรวมจัดเป็นเล่มหนึ่งส่วนในเล่มสี่ซึ่งเป็นเล่มก่อนสุดท้ายนั้นขึ้นต้นด้วยเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โต และเทศนาของเท พ, พเจ้าองค์อื่นๆอีกหลายองค์หมายความว่าในเล่มสีนี้ได้รวบรวมผลงานที่ทางสำนักค้นคว้าทางวิญญาณได้บันทึกเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดต่อด้วยวิธีการเข้าทรงเพราะเหตุนี้จึงได้แยกออกมาเป็นอีกเล่มหนึ่งในช่วงระยะ9ปีที่หนังสือวิญญาณได้ออกมาทางสำนักได้บันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตหลังจากตาย และนำลงในเรื่องแววสิงสวรรค์ซึ่งรวบรวมเป็นหนังสือขนาดเดียวกันได้5้าเล่มจากเรื่องต่างๆที่บันทึกเอาไว้นี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นหลักฐานที่นับว่าเกือบจะสมบูรณ์ได้แล้วในอันที่จะยืนยันว่าชีวิตหลังจากตายคือชีวิตของพวกโอปปาติกะทั้งหลายนั้นมีจริงแน่นอนการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายเพียงไรข้าพเจ้าไม่ขอพูดถึงเพราะได้พูดมามากแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ใคร่ที่จะกล่าวว่าถ้าคนทั้งหลายเชื่อและเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องจริงๆโลกจะต้องก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้แล้วว่ายุควิญญาณคือรุ่งอรุณแห่งยุคพระศรีอานแต่อย่างไรก็ดี ว่าคนทั้งหลายจะมีความเชื่อมีความเข้าใจและยอมรับความจริงในเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางนั้นก็คงจะต้องใช้เวลากันอีกนานพอสมควรเพราะอุปสรรคในอันที่จะทำให้คนทั้งหลายไม่เชื่อไม่เข้าใจไม่ยอมรับในเรื่องเหล่านี้มีอยู่มากโดยเฉพาะพวกที่มีหัวในทางวัตถุนิยมและพวกที่เชื่ออย่างงมงายในเรื่องวิญญาณบุคคลประเภทนี้เป็นอุปสรรคอย่างสาคัญยิ่งที่ทาให้การศึกษาค้นคว้า และการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นไปอย่างเชื่องช้ามากข้าพเจ้าเคยรู้สึกมานานแล้วว่าถ้าข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนในด้านการเงินและอื่นๆอย่างเพียงพอแล้วงานค้นคว้าของข้าพเจ้าก็คงจะตั้งเป็นสถาบันที่ยอมรับกันได้ทั่วไปนานมาแล้วทั้งในวงการรัฐบาลและวงการศาสนา ท้าพระเจ้าหวังว่าเรื่องราวต่างๆที่บันทึกเอาไว้นี้คงจะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่หวังดีต่อประเทศชาติศาสนาต้องการที่จะเห็นโลกอยู่ในสันติสุขได้ช่วยกันทําให้งานการค้นคว้าในเรื่องวิญญาณประสบความสําเร็จเร็วยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วความเลวร้ายต่างๆดังที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ในขณะนี้นั้นจะไม่มีทางหมดสิ้นไปได้เลย มีแต่จะเพิ่มทวีมากขึ้นจนกระทั่งเกิดไฟประไยกันล้างโลกอย่างแน่นอนพอรรัตนสุวรรณสิบกุมภาพันธ์พุทธศักราช2517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 คำอธิบายปัญหาในเรื่องรักมีกรรม 5. ความเป็นกับความตาย 6. การสะกดจิตกับการเข้าทรง 7. ทำไมบางคนเมื่อฝึกสมาธิจึงกลายเป็นบ้า 8. วิญญาณกลิ่นดอกกุหลาบ 9. สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือลองดีเจ้าแม่ 10. วิญญาณพยาบาท 11. วิญญาณศาสตร์จะมีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างมากในการฟื้นฟูศาสนาต่างๆในอนาคต 12. สถานีวิทยุกระจายเสียง BBC แห่งประเทศอังกฤษจัดรายการเป็นที่ระลึกวันครบรอบ122ปีของนักวิญญาณศาสตร์ยุคปัจจุบัน13เชื่อหรือไม่หรือแวนก้าผู้มีตาทิพย์14การรักษาโรคทางจิต15การรักษาโรคโดยโอปปาติกะ16คำอธิบายเรื่องการรักษาโรคโดยโอปปาติกะ17เสียงเพลงทิพย์ 18บแปคำอธิบายเรื่องเสียงเพลงทิพตสิบการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสัตว์20่สิคำอธิบายเรื่องการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสัตว์21ตัวอย่างของการระลึกชาติได้ 22. ่สิอคำอธิบายเรื่องการระลึกชาติโดยการสะกดจิตหมายเหตุผู้อ่านในแต่ละหัวข้อจะมีข้อธรรมละรายละเอียดลหลายๆอย่างซ่อนเอาไว้ไม่อยากให้ฟังข้ามนะครับ